เป็ี่ยนประกันไ้เกียงับุก ษ, ษาตาจิ้วตาจิวก็ทอดใจเลือกเลยพอให้ใจใหญ่แล้วก็พูดแบบนี้พระเจ้าเราเสี่ยงนั้นก็ี้ได้ว่าอิกจการบ้านเมืองไปอย่างไรเทียบฟันแต่ถ้อยคำของวีโหขันธีชวนกันเสพสุราทุกวันนี้ได้ขาดอันหนึ่งตัวท่าน แต่ทำการมาเนี่ยก็เสียทีเป็นหลายครั้งเมอเราคิดอ่านรถสามมือบ้านเมืองไว้มั่นคงคงจะดีกว่าต่คิดให้คํารึกษาเชนี้ให้คำแนะนำเชนี้คือว่าข้างในก็ยังยุ่งจะยกทับไปในกรมบาทและก็พ่ายแพ้มาทุกครั้งนะจะไปรบเอาชนะที่ไหนละ่ะว่างั้นเถอะ เียร์อุ่ยน่ะก็กลัวทีเดียวว่าเจรจาดังนี้มิชอบเสียทีสเกิดมาให้นักธดินจะเปล่าตัวเรานี้พระเจ้าเราเสร็จชุบเรือมีพระคุณต่อเราไปเลยมากเราจะสำระเร็จเหตจการสมองพระคุณท่านกว่าจะสิ่อมชีวิตมีเตียรู้ว่าอย่างนี้ละเมืเ่อปรึกษ า, าที่ปรึกษามิเห็นด้วยเียร์อุ่ยก็จะทำตามความที่ของตนั้งแหละ เรียกกดทำเรื่องทําราวก็ไปการาบคูณพระเจ้าเราเสียงเรียกกดจัดแกนทหารเลยทีเดียวละ่ะเพราะว่าความจริงจริงวีนี่ก็กุ่กกำลังอำนาจทางทหารของเสกชวนเวสซี่มาความยิงจะทำยังไงประการใดก็ได้แต่ท่านผ้ให่ถูให้กลัวนั่นเองล่ะก็ต้องทำมันเสียเรื่องาราวกอนไปกราบคุณก่นอน ล, ล่ะและวก็จัดแกนให้ปอเฉียงเกี่ยวฉีเป็นทพมากแต่ก็ปรึกษาว่าเราจะไปทําการครั้งนี้ ไปเมืองใดก่อนดีพอเฉียงแม่ครับมาก็ถอว่าขอให้านยกไปยังเงิ น, นสินเชียเพื่อปีเอาเมงเปียงเสีย บ, บัเอาสเสบียมาเทียวส ก, กอแล้วรีกยกต่อไปตเอาเมืกินวนให้ดเดมืองโนเอียงก็จะได้โดยง่ายเียอุยก็ถือว่าท่านวานี้ชอบนะ ต้องด้ยวยความคิดของเราแล้วก็ยกฐานออกจากเมืองตรงไปยังเตียงเสียที่เดียวฝ่ายสุมาปองสุมาปองจะมีเตียงเสียไม่มีเตียงเสียเนี่ยเสบียงอาหารมีมากแต่ทหารมีอยู่น้อย สุมาปองรั่วเกียงวิยกองทับมาก็พา อ, องกินนีเพ่งยกฐานไปตั้งขารับหมอกเมืองฐานไกลออกไปประมาณ200เซนครั้งเกียงวิยกมาถึงสุมาปองกับสองฐานเอกก็ยกฐานออกไปนอกไครอีกเกียงวิอเยนั่ก็ขับมากข้มาหน้าขานบูแล้วก็ร้องว่าสุมาเดีย ว, วาาอ่พาลูกจ้าออกมาทำํำศึก พาลูกเจ้าออกมาทําศึกเมื่อความมันพาไปจตัวมอไปทําศึกจะทําหมีครั้งที่ชุยกีกีเพระเจ้าเราเซียนเห็นผิดอย่างทำดีทีนี้เรายกกองทัพมาจะลงอาญาสุมาเกียวตัวท่านก็เป็นสมัครพระพวกสุมาเจียวถ้านจะโทกตัวแล้วให้เร่งออกมาหาเราแต่โดยดีแม้ยังถือตัวเห็นดีสุมาเกียวอยู่ เราจะคฆ่าเค่สิ่นทังโคเกี่ยมว่าอย่างนี้ก็จะต้องอ่านเหตุอ้านผมก่อนละว่าติดตนก็ทำอย่างมันถูกมันควรเอาก็อ่านอย่างนี้ว่าสุมาเกี่ยวผิด อ, อย่าง น, นัอย่างนั้นอย่างนั้นนะสมาปองได้ฟัามันก็โกรธทีเดียวร้องกระว่าวาไอโจนมึงบังอาจรู้มิล้วงเข้ามาในแดนกูมึงเร่งถอยทหารกลับไปเะ แม่ไม่ฟังชีวิตมึงกับทารนักบวงจะตายอยู่ในที่นี้สิสุมาปองว่าได้แค อ, องกินควบมารำทวนออกรบปีเลียวฝ่ายปอเฉียนทหารหน้าของเกยงอิเห็นเลยไม่มก็ขับมาออกรบกับ อ, องกินเด็กสามเพลงปอเฉียนผันเอกมีเใส่สูงก็ทำเป็นแพชัดมาหนี อ, องกินไม่รู้โอม ค, ควบมาไลยตามตามไป ใกล้จะทาก็เอาทวนพุ่งไปพอเฉียมมาหนีก็จริงอ่ะแต่หนีด้วยกลวงพวกม้าหนีด้วยความระมัดระวังอยตรอดเวลาเหมือนข้าสึกพุ่งทวนเองก็หลบหลบคนคนทวนได้แล้วก็หวนมากลับมารวบจับตัวองกิ้นได้วนี้เพเห็นหนึ่งก็กลัวพวม้ามาจะแก้อองที่เพื่อนตนพอเฉียนอย่างนี้เพ่งพวม้ามาถึง ก็เอาตัวองติ่เนี่ยฟาดลงกับพื้นดินขึ้นแล้วก็ควบม้าไปกระบองเล็กเป็นลี้เพลงตกม้าตายเป็นอันว่าเสฉวนชนะเกียงอุยชนะเพราะมีฐานเอกคือปอเขียนขลเกีงกามากเอาชนะตัวนายของข้าศึกได้สองเช่นนี้เกียงอุยเนี่ห็นได้ทีกระ น, นั้นก็ขับฐานไล่ฟันเข้าไปในกองทัพซูมาปองซูมาปอง ผู้เสียทหานในกทั้งสองไปแลเห็นดังนั้นเรือกำลังนะักก็โยกทัพหนีเข้าเมือทงทหานที่ประตูเมืองเสียแล้วก็หทหานคือรักษาหน้าที่เชิงเพื่อไว้มั่นคงเป็นอุ้ยผู้ชนะก็นากองทัพแต่ชั้นชิดติดตามเข้ามาทีเดียวเวรารชาวเวก่งหรือก็ขับรันเข้ารายรอมม้องเมียงเข้าไว้โดยรอบแล้วประทับผูกลูกเอาทัน ยิงเข้าไปปกบนลังคาร้านเรือนในเมืองเกิดไฟรูปไหมึ้นเป็นอันมากทีเดียวเอาอเกอจะเรียกว่าระเบิดเผยรูปประการใดอย่างไรก็เรียกกันเอาเอาประทัดถือบุกเข้าทันสายชะนวนก็ต้องให้ยาพอสมควรจุดสายชะนวนแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเนี้ยเอาไปโตกใส่รถคาร้านเรือนในเมืองรูปไหมคือเป็นอนมากแล้วก็เอาฟีมักกองแต่เชิงกำแพงก็ไปถึงไม้เสมากำแพงเมืองเลย แล้วเพลิงจุดให้อายเพลิงอันร้อนน่ะตลบเข้าไปในเมืองในเมืองก็เกิดไฟรูปใหม่อันนอกเมืองก็เกิดเพลิงกองใหญ่ที่กำแพงเมืองทหารและรัศฎรชาวเมืองทั้งปวงนะ่ะตกใจ ย, ยิ่งนะักอมลูกจูงหลานร้องไหก้กระจองงงแงอีกันไปทั้งเมืองเลยทีเดียว กล่าวว่าหยอกทหารตู้ดูของวีโกหยอกยังสุมาเกียวยอกหารของสุมาเกียว่าอย่างนี้เถอะเป็นนายอย่างไรล่ะเป็นนายทู้รับการแต่งตั้งเป็นนายฐานใหญ่รักษาเขตแคว้นแดนดิประสิทธิทตกับเศียรนเนี่ยมีรู้เป็นนายจะไม่รู้ว่าเียนอุยกตะยกองทัพจะทาอย่างดีเข้ามาเพียงรยประการใด ในขณะนั้นเป็นไงทราบข่าวทับข่าวสึดเี่วกับเสฉวนเนี่ยเป็นไงก็เคลื่อนกองทัพมายังจุดประทิดที่เสฉวนมี่งคือเมือเตียงเสียเนี่ยเป็นไงก็ยกทัพมาช่วยก็เป็นขณะที่เกียวมืองอ่าได้พาฐาก็ไปรอ ม, มืองได้แล้วจุดโพรงขึ้นไวุ่นวายแล้วเตียงอุ้ย เมื่อรู้กองทัพเป็นไงมาถึงก็พาฐานออกมาตั้งไวเกียร์ปุ๋ ย, ยนั้นยืยนมาตรงหารอยู่หน้าฐานทัพบวงเฟนเต็งสงุดเป็นไงหนุ่มน้อยหน้าขาวปากแดงขี่ม้าถือทวรออกมาเนี่ยเกียง์ปุ๋ยสำคัญว่าเป็นตัวเต็งไงก็พวมกม้าตรงเข้าไปรบ ก, กับเต็งสง รบไปสี่สเพลงยังไม่แพ้ไม่ชนะกันรัวเกียงอุยเอาชนะดุชายเป็นนายยังไม่ได้สีสิสเพลงก็ไปแล้วเกียงอุยก็รู่ว่าถ้าหาหน่มอยกว่านี้ีเข้มแข็งอยู่เราจะคิดกันดูหมายล้วงเอาชนะให้ถึงได้และเกียงอุยก็ทำเป็นแพ้ชะมานีเป็นตัง พวกกล้าของเตงไงนั่นแหละก็ควบมารล่าตามเตียงอุย้ยไปเตยงอุย้ยเห็นไม่ดีก็ขึ้นเก่าพันยิงมาทีเดียวเ ต, ตงสงลบได้ก็ควมากระชังเขาอเอาพลแทงเตียงอุย้ยก็ชิงพลนั้นไว้ได้แล้วก็กลับมามาจะจับตัวเ ต, ตงสวละนี่นี่คือวิาจารณ์ที่เดียวกับที่ปอเฉียงชนะสองทันเอกของสุมาปองอ่ อ, อ ยังมีกลับมามาจะจับตัวเต็งตงเป็น ต, ง, นตงก็พวก ม, ม้าหนีกลับ ม, มาเข้ากองทัพยังก็ขับม้าไล่ตามมาล่นเป็นไงเห็นดังนั้นก็ควบม้ารัมม า, มาออกมาหน้าทหารทีเดียวแล้วก็ร้องประกาศก้องูเลย ว, ว่าอูนี้จะชื่อเต็งไงนี่ไม่รักชีวิตหรือไรยิ่งบางอาจไล่มุดของอูมายังอูได้ยินในฝันก็ ตกใจทีเดียวพึ่งรู้สติดต้ายร้รบกันนำไปนะ่ะแล้วก็รบกันเพชรยังแย่อู้รบกันตั้งส0สเพลงไม่แพ้ไม่ชนะคนเองทำม า, าจะจับตัวแต่ก็ยังจับไม่ได้พวกคุณดูนั้นเป็นหนุ่ของเตงายอย่างนี้ก็ตกใจเตงไงมาประกาศต้องทีเดียวนี้บอกคูชือเตง า, ยยางแค่นี้ยืนอตกใจที่จะก็คิดว่าวันนี้ เราก็ได้รบผู้มันหนักหนาแล้วเห็นว่ากำลังมาของเราเนี่ยอิรูยลงแล้วแมจะหากาหารเขารกับเตงไนต่อไปาานักวี้หรือเกรือจะพลาครัังเสียทีเกียวตุยสิทธิเอกหหลงลายกรองจะดีแล้วก็ร้องออกไปกับเตงไนว่านับนันนี้เวลาก็วเย็นแล้วท่านองจัดแจงฐานได้พร้อมเด วันนี้เราจรึงจะออกมารบกันให้สิ้นฝีมือนี่เกียรู้ว่าไปอย่างนี้เพื่อเป็นกา ร, ราไม่ให้รู้สึกว่าเตัวเอมีเพียงรั้งหวาด ก, ก็รู้ว่าละอ้างวันเวลาขึ้นมาละในงานเด็กฟังก็ร้องตอบไปว่าที่ท่านว่าจะนี้ก็ชอบอยู่แล้วแต่เราจะให้สัญญากแก่กันไว้ถ้าผู้ใดคิดกลอุบายล่อลวงกันก็ไม่ใช่ผู้ชาย นี่คือพวกนีออกมารบกันในที่มือในกองทัจริงตามนี่นะและเป็นไงก็ถอยทัพไปตั้งอยู่ริมแม่มน้ำฮุยซีเกียร์อุ้ยนั้นก็ยกกองทัพถอยออกจากเมืองเตียงเสียไปตั้งอยู่ริมเชิงเขาแห่งก็แลเห็นค่ายของเป็นไงเป็นไงก็แลเห็นค่ายของเตียงอุแลเห็นว่าค่ายเตียง์อุยนั้นมั่นคง เป็นนายกเขียหนังสือแล้วค่เป็นปงหนุ่มน้อยมาขาวปากแดงลูกชายของปนเหนือไปช่วยรักษาเมียนเปียงเสียเอ่อห น, นังสูอนั้นเป็นใจความว่าให้สุมาปองรักษาเมียนเพียงเสียไว้ให้มั่คนคงเถอะให้กองทัพเพียงมีซึ่งเสบียงอาหารลงแล้ว ซูมาเกียวยกมาถึงเราจรึงจะเข้าร้องรบร้องกระหนากระบกเตียงยุยก็จะเสียทีแก่เราเป็นมั่นคงดีใจความไม่สู่อเป็นอย่างนี้เป็นสงสารมันสื่อแล้วกว็าลาเป็นนายผูกขอเข้าไปในเมืองเตียงเสียฝ่ายเป็นนายขอยสารถึงสื่นนอไปแจ้งย้วยความแตกซูมาเกียวให้ยกกองทัพมาช่วย นี่ฝ่ายเอียงอุอ้ประทับประทางวันนี้มันโดนข้ามแล้วดีเอาไว้พรุ่งนี้เคารพกันใหม่เมือถอยมาแล้วผมมาตั้งค่ายมั่คงแล้วเนี่ยค่อยถามถี่ลิ้สีไปให้แกเนงายทีเดยว่าเวลานี้ีเราจะออกรบกันหรือว่าสมหนังสือท่ารบไปละเตงไงก็รับคคร่างเวลาใกลยย้นี เตียงอุ้ยก็ใส่ฐานน้ำพวงกินอาหารเตียงตัวให้พร้อมแล้วก็ยกเป็นกระบวนพระออกไปตั้งคอยจะรบอยู่มากขายที่นี่ฝ่ายเป็นางนะพี่มืววานตะโกนตามหลังเตียงอุยไปว่าถ้าผู้ใดทิ้งคอุบายล่อรวงกันนี่ใครรู้ผู้ชายอะ่ะเพื่อวันนี้เป็นางกับเป็นฝ่ายสงบทหารอยู่ในข่าย มี่ได้ออกไปรบตามสัญญาหรอเกเียอิอุยอะส่งนังสือไปอซ้ำแล้วยกทัพออกมาเรียบร้อยแล้วคอยอยู่หน้าค่ายแล้วก็คอยอยู่กระนั่งคอยอยู่จงเย็นเป็นงานไม่ออกมารบด้วยเกียรอุ้ยก็ต้องขอนทหารกลับเข้าค่ายและทั้งหนังสือท่ารถึงถไดีใ เป็นไงก็คือถือหงสือเล่นกินโต๊ะเสพฟุราแล้วก็จิ้ว่าตัวเรานี้หาพอที่จะเป็นเพชรไหมหถึงจะว่าไปโดยความจริงก็คือว่าโดยแท้จริงมันกบฏเจ้าไม่ใช่ว่าเจ้โอ้บอกคุแต่ประกานได้ไม่แต่ว่เพราะว่าเราเป็นโรคปัจจุบันใหกจุดสียจึงไม่ได้ออกไปรบตามสัญญา กลับไปบอกแก่เกียน์อุ้ยนายขึ้นเถอะเมื่อราพรุ่งนี้เราจะออกไปรบเบย์ตรงได้ผู้ถึงซื้อเียร้ ก, ก็กลับมากลับมาก็ขอไปรางานแก่เกียนอุ้ยตามติ่เป็นไ ง, งว่าแล้เอาครั้งรุ่งเชา้าเกียร์อุ้ก็ยกฐานีปไปตั้งอยู่นอกค่ายเป็นไงก็มีเด้วยยกออกมา แต่เป็นนายน่ะลวงเอียงอุ้ยอยู่จช่นนี้ถึง6ครั้งก็ไม่ได้ออกไปรบกันเลย้างขวาพ่อเขียงสารพันเอกสาหมายที่ดีของเอียงอุยเนะี่ยก็จึงพูดว่าข้าเจ้าเห็นว่าเป็นนายนี่จังลวงทำคนอปลายเป็นมั่นคน ได้ห ว, วังจะคอยกองทัพสุมาเกียวมาและจิงจะรบตีรอเป็นสามบ้านจํารอจะต้องให้ฐานถือนัสือไปมือกลางตังให้สุนิมสุหนิมนี่เป็นอุปรา์มีกลางตางนะครับให้สุลิมออกส ก, กัดทางรบสุมาเกียวไว้นี่ออกไปทารบเยิงเยิงอยู่หกวันจิงได้รู้จึงได้คิด ว่าเขาทำบุบายอย่างนี้เนี่ยเียมวีเสรฟังปอเฉียงให้ความคิดอย่างนี้ก็เห็นด้วยก็จริงว่าความคิดท่านนี้ต้องน้ําใจเราทุกประการเจมวไว้อย่างนี้คือไม่ให้เสียชื่อเสียงเราก็ให้ถารถือหนังสือไปถึงศูนย์มีนเมือกลางต่างเป็นใจความว่าเรายกกองทัพมาปิดเมืองเตี้ยงเสียอยู่แล้ว ให้ท่านยกฐานออกไปส ก, กัดซูมาเจียวไว้มีเย็นอีมีหนังสือได้เห็นการต่างละการต่างกับเสฉวนก็จะได้รุมรบกระนำโลกเอียงละฝ่ายซูมาเจียวฝ่ายซูมาเจียวอา่าจากการต่างจะยกมามเปโลกเอียงคือตอนที่ออกไปปราบปลาน จู่กัดเย็นน่ะเนี่ยเสร็จเรื่องราวกันแต่กําจัดจู่กัดเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จับแจงทหารจะยกกลับละก็พอดีทหารของเป็นนายถือหนังสือมาถึงครับสุมาเจิวรู้ความว่าบัดนี้ยังมีเสฉวนยกมาประทิดติดชายแดนอีกแล้วสุมาเจิวก็เร่งยกออกทักไปยังเมืองเตียงเสียเลย ฝ่ายฐานสอดแนวรู้เรื่องรู้ความมีเกาะความเข้าไปบอกเอียงอี้ว่าซูมาเกียวตีเมืองชิวฉุนได้แล้วทหารมีการสันกดสมัครเข้า้ดยสมาเกียวเป็นนันมากสูมาเกีย ว, ว, ว, ร ว, รย ว, ยวปราบปรามจู ก, กัะเทียงเรียกอยลาบดีกองทัพมาจะถึงเมืองเลี้ยงเสียอยู่แล้วหิ่งแรงงานนี่เป็นแงานจริงนะ เกียร์มือในฝันก็ตกใจทีเดียวกูจึ้มวัดโดมเราคิดว่าจะทําการให้แดงเมืองว่งเขียนแต่บัดนี้เห็นจะไม่สมความคิดซะแล้วจําเราจะต้องหอยพับกลับไปเมืองฟังครื่องทีก่อนเยียรมือก็จัดแจงทหารเดินเท้าให้ยกล่วงไปก่อนทหารมาป้องกันไปข้างหลัง เดกเกรงข่าสึกจะติดตามครั้งไปถึงทางน้อยริมเมเินสิ้นเฉียเกียรอุยอค่อยถานขนซีนและเชือโครมาเตรียมไว้เป็นัันมากทีนี้ค้าฝ่ายเต็งนายเต็งนายนะไม่ยอมออกรบด้วยกเพื่อจะรอกองทัพซูมาจยวนะถูกต้องะระกเพื่อมาบัดนี้รวบเกียร์อุยยกทัพหนีแล้วก็วรอร์รแล้วก็จริงว่า เอียงอุยรั่วกองทับเราหมุนมาอีกจึงรีบยกหนีไปเราก็จะได้ต้องติดตามเลยถึงติดตามไปนะ่ะก็เห็มว่าเอียงอุ้ยคงจะทำต้องทำคนอุบายไว้เป็นมั่นคงนี่เป็นนายบอกอย่างนี้เลยคืออ่านอ่านใจเอียงอุ้ยถร่รงเลยก็เป็นความจริงเอียงอุ้ยทำุบายไว้ที่เมืองสิ้นเสียงนไง แต่ขนานั้นทานคนหนึงเข้ามาบอกว่าทหารกองกระเวงมาบอกข้าพเจ้าว่าเตียงอุย้ยยกไปถึงทางน้อยริมเมืองสิ น, เ, น, นเชียให้ทหารขนฟืนและเชือกเพิงเกลี่ยไปนันมากถ้าเราติดตามไปเนี่ยก็เห็นว่าเขาจะต้องเอาเพลิง น, นั่นเผาเราเป็นมั่นคง น, นี่ก็สมจริงตามที่เตียงนายบอกบอกจะต้องยกติดตามไปเขาต้องทำโคอุบายไหวเนี่ยเป็นความจริง ทหารทางปวงได้แจงกรณีก็สรรเสริญเป็นายว่า่านคิดการครั้งนี้อเหมือนให้ปยดามาดนใจเปนงนายเก่งกาสามารถขนาด e เอียงอุ้ยเก็ยังเคยพูดครั้งแรกที่ประธาตุเป็นายนะเอียงอุยถึงพูดว่าเป็นายผูน้นี้สติปัญญา น, านั้นดุดดัง อุปราชฮกหลงผงเบ่งอาจารย์ของเราที่เกียงอุยยังยอมยอมรับว่าแต่งงา น, นมีความคิดสติปัญญาเทียบเท่าฮกหลงเลยแต่บงานนั้นเดาวมีความต้งสิงทธิ์ทางปวงนิดแจ้งแก่สูมาเจอเลยทราบผู้ประการนะแต่โรคกับเกียงอุยยังไรประการใดก็แจ้งให้ราบสิเกียงอุถอยไปประการได้อย่างไรก็บอกให้หรู้ สุมากียวเด็กแจงนั้นก็มีความยิงดีเรียหาแตงไงขมาพูดบำเหน็กรางวัลเป็นอันมากฝ่ายซุ่หิงแห่งต่างตงอุปราชใหญ่ครั้นรู้ว่าปีจูสมัรไปอยู่ด้วยกับสุมาเกีวแล้วเนี่ยก็โกรธ ใครถานไปจับสมัครพระพวกปีจูที่ไปฆ่าใอ่ขนาดนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าสุริย์เนี่ยพระชนได้สิเจปีเห็นสุริย์ให้ฆ่าพี่น้องของปีจูสช่ดังนั้นก็คิดสองเวทพระไทยนะวันเสด็จออกไปประภาสสวนข้างที่ตะ ว, วันอก ที่จะเสวยน้ำพึ่งก็จึงเนี่ยองปุนไปเอาน้ำพึ่ง อ, องปุนไปเบิกน้ำพึ่งจากเจ้าพนัก ง, งานแล้วเมื่อจะมาถวายได้เอามือหนูใส่ลงไปในน้ำพึ่งสองเมร็รคือเอาขี้หนูมือหนูใายลงไปสองเมร็รเพื่อเจ้าสูหเหรีย์เห็นเลยก็โกรธจึเนี่ยปวเจ้าพนักงานมาเอาโปวดพนักงานมาถานทีเดียวเทตุไนา ตัวรักษาน้ําพุ่งเนี่ยจะให้มีหนูตกลงไปได้โทดตัวน่ะถึงตายแต่ตัวรู้หรือไม่เจ้าพนักงานรักษาน้ําพึ่งก็ปราบปูนน้ําพุ่งนี้ข้าพเจ้ารักษาปกปิดมั่นคงเมื่อองคุณจะโบกมานั้นข้าพเจ้กาก็พิเคราะห์ดูแล้วว่าไม่มีข้าเจ้าพนักงานก็ปราบปูนดังนี้พระเจ้าสุเหรก็จึงถามว่าองคุณคนนี้ เคยไปขอน้ําพึ้งกันอยู่บ้างหรือไม่กับพนักงานนั้นก็ปูกว่าเมื่อครั้งก่อนองปุนก็ไปขอเข้าไปเจ้าครั้งหนึง่งเข้าไเจ้าบอกว่าน้ําพึ้งเสวยนี่มีน้อยอยู่แล้วจะให้ไปนั่นไม่ได้องปุนนโกรธพยายามเข้าไเจ้าอยู่พระเจ้าซุนเหวียนก็จึงกลับลบความแต่เพียงนี้รอแต่พิจารณ า, าเห็นประเทศได้หรือไม่ ว่าแล้วใครคุนานผู้ใหญ่ผู้น้อยมาพร้อมกันแล้วก็หยิบเอามูหนูนั่นแหะเช็ดออกหมูก็แห้งอยู่เพื่อเจ้าสุเหลียาก็จึงปรับว่ามูหมูมนี้ถ้าแม้หมดตกบินนี้พาชนะมาแต่เจ้าของน้ำผึ้งก็จะต้องชุนอยู่แต่นี่เด็กองคุ้งแกลงเอามูหมู ม, มาใส่ตรงนี้เป็นมั่นคง พระเจ้าสุเหรีย์มีปัญญาของคุณด้วพระนั้นกขาตกใจกราบถวายบังคมขอถวายชีวิตคุณนางพึ่งปวงเนี่ยเด้เห็นการตัดสินคดีนี้ของพระเจ้าสุเหลีย์เนี่ยเขสั่งเสริมพระเจ้าสุเหลีย์เป็นอัมมาแล้วพระเจ้าสุเหลีย์ก็เสด็จกราบเข้าวันนี่เป็นเรื่องราวของพระเจ้าสุเหรีย์วันนี้ เสด็จออกนะพระที่นั่นจวนจีสึ่งเป็นม้าของพระเจ้าซุนเหลียงกับองคุณได้ข้าไปเฝ้าคือในตอนความผิดเรื่องเอามูลหูใส่น้ำพึ่งนั้น<ๆ>ก็เป็นฮั่นว่ายกโทษทยและตัด ส, ส, สินเสร็จถูกต้องแล้วองคุณก็ย้อมรับนะกลาบมองคมคุณขอชีวิตไว้แนวก็ยกโทษให้มีมาบ้านี้ ตัวจีมาไปจบทุนเลี้ยงและองปุณณเนี่ยเด้ขาไปเฝ้าไปจ้บทุนเลี้ยงไปจบทุนเลี้ยงจนกล่าวว่าชุนหลิมมหาอุปราชตา้งขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นอังมากแล้วก็ทําการตามอําเภอใจเช่นนี้มานไปเห็นจะเป็นขบถึงอราัชสมัติเราเป็นมั่นคงเราจะคิดอ่านข้าทุนลเลี้ยง จ, จึงจะชอบ ปรากรณีแววเนีก็ทรประกันแสงจนจีอนอกดทูลว่าพระองค์อย่าวิตกเลยแม้พระองค์จะให่ขบ เ, เจ้าทาประการใดก็จะอาสาสนองพระคุณไปกว่าจะสิ้นชีวิตพระเจ้าสุเหรียก็จกึงตลัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงไปหาเหล่าเสงซึ่งเป็นนายตารวจจักแกงกรณีให้ได้ผู้คนได้จงมา มาซุ่มที่ริมประตูวังถ้าซุ่นหนิมเข้ามาเฝ้าก็จับตัวฆ่าเสียแต่ทวาการนี้ยังแยกแคลงคลายไปซุ่นหนิมเป็นน้องของมารดาข้าพเจ้าซุงหนหนิมกลับดังนี้ยุนกีก็พูดว่าข้าพเจ้าจะทําการครั้งนี้ก็จะขอหนังสือรับสั่งเป็นสําคัญด้วย เพื่อระทนเร่อตบวงจะได้เป็นใจทำการพราเจ้าซุนเหลียงก็เห็นด้วยก็ส่งระอักส่งให้แก่จวนอี้จวนอี้ก็ถวายมังโคมราประปัด เป็นขึ้นรอโก โ, โ ก, ก, ก, ก็เก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นบ่อยๆแต่บัดนี้ไม่ได้มีใครผู้ใดเข้าไปกราบพรงพระเจ้าเียวก็กระทามกัพระองค์เองนี่หละเป็นผู้ให้กระท า, ะาะะท ก, ร ก, กรทาร น, นี้ขึ้นตะเกียงีเนี่ยรับสาสรับกราบสอนแล้วก็กลับไปบ้านก็เห่าเน้ความแลโบยบิดา ฟ, ฟัง ผู้ประกอการบิดาตวนตีก็มีความเนไปบอกแกภรรยาว่าพราะเจ้าคุ้มเลียงจะให้ข่าซุนหลิงอุปราชกันในสามวันนี้นี่ฝ่ายภรรยาอ่าในตนั้ก็ตกใจให้คนสนิทรีบรอกไปบอกความนี้แกซุนหลิมุนหลิมมาอปราชมุก้ำอมาดในเรื่องกัรต่างรู้ดัก็โกรธ ก็หาน้องชายสี่คนซึ่งตนได้ต่างเป็นผู้น้าผู้ใหญ่เข้ามาบอกนี้ความทั้งตัวเนี่ยเหตุสาบละ่ะกว่าพระเจ้าคุณเลีงที่จะกําจัดตนน่ะดิลูกเป็นทีนี้แล้วก็ทั้นหมดฤกษ์จะต้องถูกถอนราดถอนโคนไปด้วยกระสังจัดแกงทหารตีมาล่อของกองยกเข้าร้อมวังพระเจ้าคุณเลียงไว้โดยรอบเลยทีเดียวควายเล่าเสงนายตำรวจ เห็นดังนั้ น, นก็วิบเข้าไปทูลพระเจ้าซุเหลียงในเวลาตนคืนพระเจ้าซูนเหลียงมันพมหลับอยู่ได้ยินเสียงมารอบกองสนั่นอีกอีกคนก็ตกกระถายตูมเราเสียงก็เข้ามาทูลอะซุนเหลียงมหาอุปราชยกทหารเข้ามาร้อมหวางไว้แล้วพระเจ้าซุนเหลียงได้ฟันแล้วก็โกรธประเด็นก็ไปข้างในปราการด่ า, บบ า, ดาวะ่ะครั้งนี้พี่น้องของท่านทําการใหญ่ จะทำร้ายข้าพเจ้าแล้วก็จับพระแสงกระบี่จะไปต่ อ, อสู้กับสุนิงด้วยกำลังโทโซ่แหละฝ่ายมานดานประขันตีเถืเ่อนก็ตกใจวิ่งเข้ามายึดชายจะรองพระองค์ไว้าร้องไห้ทูน้านปราปงเป็นกันมากครั้นเวลาเชา้าสุนินคนนำกำลังทาหารกเข้าไปในวังได้เห็นเหล่าเซ้งกับ ตันเสียงคุณมฐารักษาหน้าที่อยู่ก็สายฐานของตัวเขาจัคนทั้งสองไปฆ่าเสียการหาคุณนายผู้ใหที่อนองทั้งปวงมาว่าบัตรนี้เพื่อจุดซุนเหลียงเนี่ยคิดการนิชอบแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่ว่ากิจาการมากเหมือนมัวมาเราปุ่สตรีเราจะในประเทศออกเพืรอจะไปสมบัติท่านทัน้งปวงแข่งประการใดนี่คนมีอำนาจนี่ก็ถามได้ ก็กล่าวก็อ่านเราดัง น, นั้นแหละฝ่ายวุนอีเป็นคุณนางผู้ใหญ่ผู้หนึงในที่นั้นได้ยินเข้าใจนั้นก็โกรธร้องดาสูุนหลินในตั ว, วไอ้โจรพระเจ้าซุนเหลียงนั้นพระองค์มีสติปัญญาหลักแหลนมึงแกล้งเอาความร้ายมาใส่ดีหวังจะจริงหรือจะสมบัติบัวกูนี้ถึงจะตายก็ไม่เขา้าใจมึง คุณหลิมแม่ฝรันก็โกรธท่ากระีออกฆ่าหวนีเซน บ, บักนันเลยทีเดียวคุณมานทั้งสอนี้ดังนั้นนะก็เกรงอาญาสูงยิ่งนะก็ชวนจนคำนับกราบลงแล้วก็จินว่าข้าเจ้าทั้งสวงนี้แม้ท่านจะทำกรบการใดก็จะประพฤติตามสิ่งทั้งนั้นคือยอมคือยอม นลุก็เดินก็ไปเลยตำหนัะเห็นพระเจ้าสุเหรีย์นั่งอยู่ก็โกรธชี้มืว่าแกพระเจ้าสุเหรียงทีเดีว่าท่านเป็นคนขา่าวนี่ต้องมีสติปัญญาหรือ ผ, ผิดเป็นชอบหากว่าเรานี่เป็นคนใจหนุมคิดถึงคุณพระเจ้าสุขเวรอยู่ท่านจะรอดชีวิตเราจะให้ท่านไปเป็นเจ้ามือห้อยเข็ท่านเร่งไปพ้นความตายเถอะ และสุนิลกับลีจ๋องก็เข้าไปเก็บเอาตราและเครื่องยนต์สำหรับกระสับเหมาะแห่แกะเต้งเถียเอาไปรักษาไว้ในครั้งเพื่อเจ้าสุนิลเห็นดังนั้นน้อยพระไทยนะทรงพระแสงเสด็จออกจากเมืองการตา่างตรงไปยังเมืองห่อยเขยสุนิลก็แต่งน้สีเจ้าบน้นดี ให้สุนเคกับตังเตียวไปเชิญซุนยิซึ่งเป็นบุกคนที่หกของพอะงระเจ้าซุนกวนในเมืองห้อหลิมให้มาครองราชสมบัติฝ่ายซุนยวนเวลาค่าวันนั้นฝังเห็นว่าได้ขี่มังกรเหาะขึ้นไปบนอากาศ เหลือหรังมามาดูที่เห็นมังกรที่ตัวขี่น่ะเป็นมังกรหางด้วนก็ตกใจผวาตื่นขึ้นรุ่งเชา้าซุนเคปังเทียวจะมีหลวงก็มาถึงเขาไปขมับแจงเม่ความนั ก, กวัวชเราหนังสือที่ซุนลิ้งให้มาเชิญไปครองสมบัตรเมื่อแกซุนหิวซุนหิวเลยก็มีความสงสัยรังรออยู่ทีเดียวละ เทภาระประจำามือแปลงตัวเป็นคนแก่เดินตรงเข้ามาหาสุมยิแล้วบอกว่าการทางนี้ท่านเร่งไปโดยเร็วท้านเนื่ช้าการจะกลับกรอกแล้วเทภาระมันก็หายไปซุมยูเอ้นงก็ดีความยินดีก็จัดใจทหารและต้นเองก็ขึ้นเกวียนออกจากเมืองไปถึงตาบนปอดเซกต่าง อันเป็นที่ประทับกลางฐานซุนหิ่งรู้ก่อจักรรถในเครื่องแ ห, ห่สำหรับบริษัทพาคุณนายผู้ใหญ่ผู้น้อยไปรับซุนฮิวแต่ซุนฮิวก็ไม่ได้ขึ้นรถขี่เกียนนิ่งตรงเข้าไปยังเมกงการฐานซุนหิ่งกับคุณนายทั้งสองก็เชิญซุนฮิวขึ้นนั่งบนแท่นและถวายบังคมพร้อมกันและเอากราและเครื่องสำห ร, รับบริสัทนีมาถวาย เป็นอันว่าพระเจ้าซุนิวได้ครองราชสมบัติแล้วตอนนั้นเป็นปีพุทธศักราช8 0ดเอเมื่อพระเจ้าสุนิูได้ครองสมบัติแล้วก็ตั้งซุนลิเนี่ยเป็นมหาอุปราชเดี๋ยไม่ตั้งเขากระไรได้ละ่ะเพราะเขาตั้งตนน่ะแล้วก็กระชายม า, าในรางวันแก่สุนลินเนี่คุณนานถึงปูนสุดีวความชอบเป็นนั้นมากแล้วก็ตั้งน้องชายซุนินทั้งสีคนแลหลานอีกคน แต่เป็นคุณนายผู้ยาอยู่ในเมืองซึ่งพระเจ้าสุนหิวทำการทางนี้นะความจริงน่ะใช่ว่าจะไว้พระไทยสุนิลไดยสุจริตนั้นหามิดได้คิดสงสัยแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะองค์ยิ่งอยู่ครับทุกท่าน ของพระเจดสุนฮิวซุนหลิมหมาป ร, รานไ้ก็แต่งข่าวของไตถวายตามคำเรินเป็นอานนมากพระเจดสุนฮิวเนะี่ยคิดรังเกียจอยู่ก็ไม่ได้เฉไอะส่งลืออกมาสุนหลิมเนี่ยก็โกรธเอาโ๊ะเลยของน้ำปนะูเนี่ยบไปอีก อ, อ, อ, อ, อเอาอาหารน้ำปูข่าวของน้ำปนะูอะกลับไปยังตึกของตนได้ไปเชิญเตียวปอซึ่งเป็นผูน้นาผู้ใหญ่มา ก, กิน ขณะเมื่อกินโต๊ะเศรุราอยู่นั้นุนหยิ่งก็ว่าแก่เตียวปอวะเมื่อครั้งพระเจ้าซุนเหลียงทําความผิดเราในประเทศใบเนนั้นขุณนางทั้งปวงก็ยอมสมัครให้เราเป็นเจ้าแต่ด้วยเราคิดถึงคุณพระเจ้าซุนกวนกินเดชเชิญพระเจ้าซุนฮิงซึ่งเป็นปราชบุตรองค์ที่หกมาครองสมบัติและบัตดนี้วันนี้ เป็นวันประสูติของพระเจ้าซุนยูแล้วเขาก็เด็ดแต่งของเครื่องโต๊ะนี่กัไปถวายตามธรรมเนียมแต่ก็ไม่ได้รักซึ่งพระเจ้าซุนยูดูหนุนไม่ได้คิดถึงไมตรีเรานั้นให้ท่านดูไปเถอไม่นานก็จะได้เห็นเป็นมัานโคฟนีน่ท่านท่านซุนอินอุปราชกล่าวดังนี้ เตียวปอก็ทําเป็นพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้ตอบประการใดแล้วก็คำนับราสุนหลิมไปครั้งรุ่งเช้าเตียวปอก็ไปเฝ้าพระเจ้าซุนฮิวกดทูลเนื้ความสิ่งสุนหลิมว่านั้นทุกประการพระเจ้าซุนฮิวได้ฟังนั้นก็ทรงพระวิตร์ตกนะฝ่ายซุนหลิมมหาอุปราชเนี่ยก็คิดอ่านกระเตรียมการ ให้เมงจ้องคุมทหาร1ม0 0หพันพร้อมด้วยเครื่องฟากราบุนออกไปตั้งอยู่ในตำบลบูเฉียงนอกเมืองกล า, างตังมีเปรียวกับทีศกซึ่งเป็นคุนนางกลมแสงก็ได้เข้าไปทุนกับพระเจ้าสุนฮิวบัรนี้ซุนหลิมตระเกลียนทหารแล้วมาเบิกเอาเครื่องอาวุธในคลังไปไว้เป็นอันมาก เห็นจะคิดร้ายต่อพระองค์เป็นมั่นคงเพื่อเจ้าสุนี้์ใวันนั้นเขตกใจก็เรียกหาเตียวปอแหละเข้ามาปรึกษาราชการเดียวปอก็ถูกว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีสติปัญญาน้อยแต่เตงหองสิเตงหองซึ่งเป็นคุณนานผู้ใหญ่เคยทำศึกมาแต่ครั้งพระเจ้าสุนกวนเป็นอันมากขอพระองค์ให้หาเตงหองเข้ามาปรึกษาราชการเถิด เห็นจะตัดความคิดสุนีนได้พระเจ้าสุนีวิวค่อยหาเตงหองเข้ามาปราปรึก ษ, ษาเนื้ความทั้งปวงเนี่ยเตงหองก็ถูนวะพระองค์จยวิปกเลยขเขาจะจะคิดกลบอุบายกําจัดสุนีนให้จบได้เองพระเจ้าสุนีิวก็ถามว่าท่านจะทําประการใดเตนหองก็ทูลว่าเวลาพรุ่งนี้ก็จะเข้าวันปีใหม่ เป็นวันถุกพรองจงแต่งโตเลียงคุณนาธนวงตามทำเนียและให้คนสลิดไปเชิญสุนิมากินโตในตำหนักขบเจ้าใช้เตียวปอแอบอยู่ขอจับตัวสุนิมก็จะจับตัวได้เป็นมั่นคงพระเจับสุนิวก็เห็นด้วยกใหยเป็นองุ่เตียวชีศซคุมทหารรักษาป้องกันภายนอก เตียวปอคุณฐานซ่อนอยู่ในฉากเวลากลางคืนวันนั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดต้นไ ม, ม้ใหญ่ที่อยู่หน้าตึกซุนหลิน ม, มันโค่นลงและพายุก็ยังพัดฝุ่นทรายก้อนฟิลาปิ้งขึ้นไปวังทีเดียวพระเจ้าซุนยิวได้เห็นนิมิตเป็นอศัศจรรย์แค่ไหนก็มีความยินดีละด้วย ต้นไม้ใหญ่หน้าตึกสุนิ ล, ลนี่โคนน่ะครั้งเวลาเช้าก็อยขันทีไปหาสุนิลตามที่สัญญาสุนทึกกันไว้แหละขันทีไปถึงตึกตึกของสุนลิลก็เข้าไปทําน้าแล้วก็บอกว่าได้รับรับสั่งพระเจ้าสุนิลให้ข้าพเจ้ามาเชิญนไปกินโต๊ะสุนิลได้ฟังขันทีบอกแม่งก็ลุกขึ้นยืนจะแต่งตัว ก็กลับล้ ม, มงกับที่เองเองแหละก็คิดประหลาดใจนะไม่เป็นอะไรก็ดีขัมทีมาถึงอีกคนนึงเข้าไปบอกเอกซุนหลิมว่าบัดนี้คุณนางก็พร้อมกันแล้วถ้าเจ้าสุนยิวคอยท่าธัญยูให้มาเร่งเชิญทันไปซุนหลิไมได้ฟังก็ใส่เสื้อแต่งตัวอย่างมาอุปราด คนใช้ติดในตึกก็ออกมาห้ามว่าเวลาคืนนี้เกิดอัศจรรย์วิปริตและมาเชา้านี้พอได้รับรับสั่งให้เชิญเขาไปกินโต๊ะเนี่ยท่านยืนขึ้นก็ล้มลงกับที่ข้าพเจ้าคิดสงสัยนะซึ่งรับสั่งให้หาท่านเขาไปนั้นขอท่านจงดาบวิให้ควรก่อน น, นี่นก็จวตัวเราเป็นมหาอุปราชพี่น้องก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ถึงห้าคนก็มันพูดใดใครกันเราที่จะบังอาจคิดร้ายต่อเราถึงแม้ว่าจะมีศัตรูคิดร้ายต่อเราจริงแต่เราก็ไม่ได้กลัวจะเอาแต่เพื่อสัญญา จ, จุดทึ่งเท่านั้นทหารของเราที่เตรียไมไว้พร้อมแล้วนะตาตมนมษนเฉียนนัน ก็จะยกเข้ามาช่วยมีสุนิลผู้เป็นใหญ่สุนิลผู้มีอัำมาจสุนิลมาอุปราชแห่การต่างกล่าวดังนั้นแล้วก็กล่าวลงจากตึกไปขึ้นรถและก็ตรงเข้าไปในวังพระเจ้าสุนิลก็ออกมารับถึงประตูตำหนักจีอตุีสุนิลเข้าไปให้เชด็จราในตำหนัก ถ น, นักเลือชุนหิมเซตูราอยู่นะั้นมือเปียวและชีสก็จุดเพลิงสัญญาขึ้น่คนรองนี้เป็นของเป็นคนของพระเจ้สุญิวพวกเรานี่ก็กลัวก็จับสมัตรพักพวกชุนหิมท้าใคบบังเอาไปจองจำไว้บัง สูนิ่มได้ยินเสียงอึ้ง น, นึงคันถ่ายนอกก็ตกใจขยับตัวลุบออกมาพระเจ้าสุนีดมือวัดแล้วก็ห้ามแบบมหาอุปราชอย่าตกใจไปเลยเชิญเสฟตุราให้สบายเถอะขุนนานเและทหารสุร่เสฟตราอยู่ข้างนอกนะ่ะเสษตุราเมาแล้วก็วิวาดุ่มเถียงกันก็ตาทีมันเถอะ มีพระเจ้าสุญิวตราดนี้ขนาด น, นั้นเตียวปอก็ถือกระบีพาฐานประมาณ30สิบคนเดินออกมาจัดฉากาที่สอนตัวอยู่แล้วก็ร้องว่ารับสั่งให้จับไอ้ขบวให้จนได้สุนหลิมได้ฟังก็ตกใจจะวิ่งห น, นีแต่น้ำดก็คุม้มดูเขาจับตัวไว้ได้สุนหลิมสิ่งอิสรภาพซึ่งความคิดอับจนด้วยปัญญา ข้าหันมากราบพูนพระเจ้าสุนฮิ ว, ว่าขอพระองค์ได้โปรดให้ทานชีวิตขบัตเจ้าเถิดขบเจ้าไม่คิดการชะ น, นั้นซื้อไปแล้วแต่ถวายบังคมลาไปํามาหากินอยู่ใ น, นบ้านเก่ารองขอชีวิตพระเจ้าสุนิวก็ตรวาดว่าเดือเต็งอินกับมิกกีและออนตุนนั้นก็ออนวอนขอชีวิต แต่ลาไปอยู่บ้านเก่าเช่นกันเหตุใดตัวจริงฆ่าเสียเราพรเจ้าซุนหินโปรวดเอาแคนั้นแล้วก็ดเดียวปอเอาตัวซุนหินเบกท่าเสียเดี๋ยวปอจริงประกาศแกถาม น, นึนกบว่าซุนหินเป็นขบรรับสั่งให้ประหารท่านทั้งกลัวไม่รู้เห็นด้วยก็จะได้ไวิ่งตวุ่นวายไปเลยขณะนั้นเป่งฮอง หางกาวครั้งพระเจ้าซุนกวนจิงยี่มุ่เต็งฮองอายุยืนขณะนั้นเต็งฮองกับลูยเกลือชีศกก็ไปจับเอาพี่น้องสมัารพระพุทธของสุลิประมาณร้อยเศษก็มาถวายพระเจ้าซุนยูค่อยเอาตัวไปฆ่าเสนา้ า, านสามแผงและพิจารณาเอาพี่น้องสุลิไปฆ่าจนสิ้นทั้งโคตจนศก ซึ่งจุ๋บิดาสุลิมซึ่งฝังไว้มันก็ให้ขุดขึ้นมาทำประจานด้วยมีเกิทำอย่างศกตังโต๊ะเลยแต่บรรดาคุนนาศสัต์ซทั้งปวงซึ่งสุลิมได้่าดท้่แต่ก่อนๆนั้นก็มีรับสญญารยาอุศบัาจัด ก, การแต่งฝังไว้ตามบรรดาศาักคุนนานซึ่งสุลิมจองจำไว้มันก็ให้ถอดออก ให้กลับคมที่ดังเดิมซึ่งเพื่อเจ้าซุนฮิวนั้นก็แต่งนังสือแจ้งเนื้อความตั้งพวงให้ที่ฮูถือไปถวายแก่พเพื่อเจ้าเหล่าเซียนณเมืองเสฉวนให้ทรงทราบ เ, เราคอมองเห็นได้ว่าการตั้งกับเสฉวนนี่ ไม่ปรีแต่ครั้งหกหลนกระทําไว้ก็มีต่อ ก, กันด้วยตลอดมาจนบัดเนี้ยพระเจ้าสูนฮิวกระทาการกำราปราบพรามท่านซุนมหมิ่นมาปรารถใหญ่ได้เรียกร้อาแล้วก็กลับพูดเรื่องความตั้งสิงนี้ไปพระเจ้าเราเสียนได้ดทราบ พ, พระเจ้าเราเสียนได็แจ้งแ่ะก็มีความยินดีกดจัดแจงเครื่องรถชะมนาการให้ชีฮูกลับไปถวายแก่พระเจ้าสูนฮิว พระเจ้าสมิทธ์ก็ถามชีหัวในเมืองเสฉวนท่านเห็นพระเจ้าเราเสี่ยนคิดการสิ่งใดบ้างราษฎรทั้งปวงในเมืงเสฉวนมีความสุขปกติดีอยู่หรือชีหัก็ถืว่าพระเจ้าเราเสีย่ยนนับถึงเชื่อความถ้อยคำํำวีโฮขันทีถ้าผู้ใดมีสมบัติมาก ไปให้เป็นสิงบนแก่วีโคขันทีแล้วก็ได้ขึ้นเป็นที่คุณนานผู้ใหญ่พระประเจ้าเห็นว่าราชการแผ่นดินเมืองเสฉวนเรรวนนะคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยและรัชดานถึงปวงก็ไม่สบายปรับทุกข์กันอยู่สิพระเจ้าสุนหิวเด็กฟ้านั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็ว่าถ้าขงเบ่งยังมีชีวิตอยู่ ที่ไหนการแผ่นดินเมืองเศชฉวนจะเป็นถึงเพียงนี้พระเจ้าสุทีรับสัดนดานีแล้ก็แต่งหรืเป็นใจความว่าแบบนี้สุมาเจียวคิดการใหญ่จะทิ้งราชสมัครในเมืองเกียงแม้สุมาเจียวกระทำสำเร็จตามความคิดแล้วก็เห็นว่าจะต้องยกทับไปตีเอามือกลาปงปานและนินเศษฉวนเป็นมั่นคง ให้พระเจ้าเราเสดยงคิดนางตราเพียมทหาร้องการรักษาเมือจงดีอย่าประมาทต่อพระเจ้าสูงยู่ทำหมังสืดีและแปรทหารถือไปส่ว่าพระเจ้าเราเสียงณเมืองเสฉวนอีกฝ่ายเกียวตุยเกียวตุนี่เป็นเพียงแค่ผู้ใดกลุมกำลังทหารตั้งสิ่งของเมืองเสฉวนเท่านั้นมันเป็นมหาอุปราช ใหญ่บ้านการฐานฝ่ายเกียงอุยเด็ดแจงในหนังสือของพระเจ้าซนดิวดังนั้นนะ่ะก็เห็นด้วยก็กราบผู้พระเจ้าเหลาเสียจจะขออาสาไปตีมีงงงงงงงนโเกีิริเพื่อตัดสุดชูมาเทียสก่อนพระเจ้าเหลาเสียงก็เห็นด้วยเกียงอุยก็จัดแจงกองทัพให้เลี้ยวหัวในฐานคู้ใจเก่าของกวนอูนนะให้เลี้ยวหัวกับเดียวเอ็ด เป็นกองหน้าให้องหัมกับเกียวปินเป็นปีกขวาให้เกี่ยวฉีกับปอเฉียมเป็นปีกซ้ายให้ออเจ็กกับหัวสิทเป็นกองหลังตัวเกียนอุย ก, กับแฮ ห, หัวป่าขว้าทาของแซสุมาคุณปานยี่สิบหมื่นเป็นกองทัพหลวงครั้งถึงวันดีได้เกษ์เพราะเขาไปทุลราพระเจ้าเราเสิท ยกกองทัพตรงไปยังเมืองหันตงเป็นครั้งที่งเกียุยละแต่เกียุยนี่อยู่ในเสวนเมื่อจะไปจกกัดแจงรัพก็ต้องไปยังเมืองันตงอันเป็นเมืองที่เป็นแดนต่อแดนกันกันกนกบวิกกอ่ะเมื่อถึงันตงแล้วเกยร์อ ก, ก็ปรึกษาไงวัวป่าว่งเราจะยกเข้าตี เมืองได้ให้ได้ก่อนจึงจะดีแต่ว่ปาก็ถึว่าตำบลเขากีสารนั้นเป็นที่สําคัญราบคาบคงด้ง ย, ยกมาถึงหกครั้งกดตั้งลนะตําบล น, นั้นเป็นสำคัญจําเราจะต้องยกไปตั้งมันนะเขากีสารก่อนแล้วจึงจะคิดการสืบไปเกียรติวีก็เห็นชอบด้วยก็ยกถักไปถึงเขากีสาร ตังคายอยู่ริมเมินเขาแห่งนี้เป็นสามค่ายฝปป่ายหนึงนาตังคายอยู่รินเขาเกสาร พร้อมที่จะกระทำหน้าทีของตนรักษาเขตแดนด่านนี้ไว้ด้วยดีป็นไงเนี่ยต่้งขาอยู่ริมเขาที่แสานเหมือนกันละ่ะครั้งมาใชา้มารายงานบอกวันนี้เกียงอุยกทารมาปั้งอยู่เป็นอังมาป็นไงก็ขึ้นไปดูบนยอดเขาเห็นเกียงอุยตั้งค่าอยู่ริมเนินแห่งหนึ่ง ก็ดีใจแต่ไงก็ว่าเราคิดไว้แล้วว่าเกียงอุยจะยกมาก็าสมความคิดแต่ไงก็เกียในทหารขุดเนนเป็นอุโมงเข้าไปข้างหลังค่ายของเกียงอุยรครัขุดไปใกล้จะทะลุออกหลางค่ายอองหังกับเกียวกินแตงไงก็จึงแท้เป็นโงผู้บุตร กับซูกีคุมฐานหมื่นไปรบข้างหน้าค่ายครั้งเวลาสองอยามก้อยเต็งหลุนคุมห้าร้0ยเข้าไปในอุโมงให้เร่งขุดให้ทะลุเข้าไปในค่ายชิงข้าให้จงได้เต็งหลุนก็คุมทหารไปฝ่ายองหังและเจียวปินอยู่ในค่ายนะอ๋อองหังกับเจียวปินเนี่ เป็นปีขวาของเกียอุย้างเชียวปินอยู่ในค่เห็นเต่ ง, ง, งตรงลูกเตง่ายเป่งตรคนนี้เก่งยงอุคยประทาวฝีมือด้วย40เพลงเียอุยทำอะไรเต่งคนนี้ได้อ่าเรกับสูกี้ยกฐานมาค่ายนายี่ปหาเียวป็นก็ระมัดระวังตัวนะครับ ใส่ทงังตวงใส่เกราะนอนเลยทีเดียวเรียกว่าเตรียมพร้อมตรอดเวลาครั้งเวลาสองยามเต็งหลุนผูกมุดดินเข้าไปผูดตีด้านลังค่ายด้วยนะแต่ว่าขุดอุโ ม, มงเข้าไปเนี่ยก็คุมทหารขุดอุโ ม, มงต่อไปทะลุขึ้นไปในค่ายขององค์หเกียวติงได้เข้าไปในค่ายไร้ข้าฟันทหารเสฉวนอึมทีเดียว องหันเกียวปิ น, นั้นก็ตกใจให้ฐานถืออาวุธขึ้นมาเต็งตรงกับสูเกะหนีอยู่ด้านมาพร้อมอยู่แล้วนี่ก็ยกฐานรบเข้าไปองหังกับเกียวปินเห็นเหลือกำลังนะก็พาทานหนีออกจากค่ายฝายว่าเกียร์อุยอยู่ค่ายกลางได้ยินเสียงค่ายทางเบื้องขวาปีกขวาอื้นขึ้นน่ะก็เทมา ขึ้มัขีมายืนระวังอยู่แล้วก็สั่งฐา้ไวรักษาค่ายไว้มั่นคงถ้าฐานเป็นไา ย, ยกมารบให้เอาแต่เก่าทั้งยิงตั้งไว้คือไม้าขาดศก็มาต่อยได้ละฝ่เต็งตงกับสุกีนะครั้ง ต, งตงีค่ายปีขวาของเป็นไงได้แล้วเนี่ยก็ยกทานเข้ามาเอาค่ายเอาขอไปดต็งตงกับสุกี ครเตะข่ายเตะขวาของเสฉวนของเกียงอุยได้แล้วก็ยกฐานเขามาหัข่ายเกียงอุยเป็นหลายครั้งเกียงอุยก็ใช้วิธีไม่ยอมให้ข้าสึกเข้าปชิดหนาและตนเองก็ไม่ยอมออกมาตะรุมบอลกับข้าศึกด้วยโดยใส่ในฐานของตนเป็นดาว ก, กาทางระดมยิงเ้าทหานเสฉวนระดมยิงเกาทางไม่ยังหนักถูกทหารเต็งตงรุมตายไปนานมากทีเดียว ครั้งเวลารุวมขึ้นเช้าเตงโถงก็พาฐานาาปัดมาไข่เตงงาน้นก็จะว่าเกียงอุยคนนี้เขามีสติปัญญาหลักแหลมชำมาในการสงครามจึงสามารถรักษาไข่เขามั่นคงไว้ได้ถ้าเกียงอุยเบาแก่ความยกมาช่วยไข่ปีกขวา ก็จะเสียทีแค่เราเป็นมั่นคงนี่ป็นไงก็ยอมรับในความจะมีชมิชํมาในการสงครามของเอียงวิอยู่เหมือนกัน เมื่อราชเช้าก็พาฐานเข้าไปหาเกียงอุยณ์่ายใหญ่ไปถึงก็คำนับกราบลงและก็กล่าวขอโทษที่กระทำการเคลื่อนปรามเสียข้ายเกียอุย ก, ก็จงึงวาดธัญวิ ต, ตกเลยซึ่งเสียงานทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเราคิดผิดเองว่าเราเกียงอุ ก, ก็จัดแจงทหารให้องหานเกียวกินยกไปตั้งอยู่ที่ค่ายเก่าอีก ือว่าเมื่อขายเก่าเสียนคาสอก็ม่ได้ยึดไปรเข้าทำลายได้แปกปาก ป, ก ป, กปไปเงเกุยก็สังให้ออหัมจีปินไปบศยข่ายเา่าน้วยแหละองหําก็เอาทหารให้ทหารเอาิมาถมอุดอุอองเยแล้วก็เลื่อนออกมาตั้งค่ายอยู่ให้ห่างเนินเขาออกมเกอุ้ก็จให้ทหารถืนงสือไปยังค่ายของเปงไงทีเดียวว่าเวลาพรุ่งนี้ให้ยกทหารออกมารบ ก, กัน การวาร์ลบอีแล้วเด้งไงก็รับครรมครังเวรราชเช้ทาทหารทั้งสองฝ่ายก็ยกออกมาตั้งกระบวนทับอยู่นะเขาขีสารพร้อมกันละตา่างฝ่ายต่างก็ยกออกมาละไม่มือนแตครั้งก่อนที่เป็นไ ง, งบิดพรียะกระทำงวงเมียวจนในที่สุดเกียงอุยแพ้นะแต่ครั้งนี้เด้งไงก็น้ำทับออกมา ยังอุ้กจดฐานออเราปปดกองตั้งแปดิมีประตูเข้าออกถึงการทั้งแดานกองนึน่งให้ฐานยืนเป็นรูปมังกรอีกองหนึ่งเป็นรูปเสืออีกองหนึงเป็นรูปพญานาะคกองนึงเป็นรูปนกกองนึงให้ทหารมายกธงเขียวตั้งกระบวนเป็นรูปเมฆกองหนึงเป็นรูปเดือนตะวัน กอเป็นลมกองเป็นดินตปดกองตัวเก่เวอออกมายืนมาขื้นธงสาคัญอยู่หน้าาเห็นแต่ ย, ยืนมาทำงานอยู่นู่นเก่งมิก็ร้องถามไปว่าที่เราต้านกระบวนกศึกปักตัวตีนท่านรู้ที่สาคัญหรือไมว่าเราจะทำรายการใดแตง่ายก็ว่าเลาะราก็ตอบว่าทางกาลัง ท่าคัว่ากระบวนการนี้นะรู้แต่ท่าผู้เดียวอย่างนั้นหรอเราก็เข้าใจอยู่คือกองมนียแยกเป็นปปก็่คือตั้งเป็นปกองเหมือนเกยุเหมือนกันก่อนเป็นกองเหมือนกันก่อนแต่แล้วแต่ละกองแต่ละกองเ น, นนะก็แยกออกไปเป็นอีกปกองรวมทั้งหมด ขอภัยครับเอาแปลว่ากองหนึ่งแยกเป็น8กองถึงเรื่นกกีกองแต่ละกองแยกเป็น8 8ดก็6ก8กองเป็น64กองมีประตูนีจากแปประตูก็เป็น64ประตูนี่เรียกว่าแตงงานเหนือกว่าเป็น แปดชั้นเลยละวะอย่างนั้นเป็นงายจัดการทัพของตนเสร็จแล้วจัดกองทหารของตนไป็ค่ายกลดังกล่งเสร็จแล้วก็ร้องถามเกีย์อุยวะเราแยกและคลายออกชะนี้ท่านเห็นผิดในชอบประการใดวันได้ ว, ด ว, ว่ามะเกียร์อุยเห็นการตั้งกองตั้งค่ายกลดังนั้นของเตงไงเกียร์อุย ก, ก็จุะ ท่านทำนี้ก็ต้องตำรายอยู่แล้วแต่แม้ว่าท่านชะมานจริงน่ะก็จงยกทหารเข้ามาในกระบวนกึกของเรานีให้ได้เถอะมีเกียงอุยท้ายเตงไงตีเข้ามาเป็นไงก็จริงว่าธัญวิตกเลยเราจะยกเข้าไปให้ท่านดูและเป็นไงก็ขี่มาถือธงนำหน้าทหารเข้าไปในกองทัพเกียงอุย คือในค่ายกลของเกียงอุยติดตั้งเป็น8กอง8ประตูแหละแด่นงนายก็นำทหารเข้าไปเดินรถเลี้ยวตามกระบวนกึกนั้นนิ่ได้พลาดพรังคือว่ารู้ม่กระบวนกึกอันนี้ดีพอนั่นเองแหละฝ่ายเกียร์อุยนะก็ขวบมาก็ามาในถ้ำกลางกองทัพโบกธงให้ทันแปกองขอ ง, งตอนเนี่ยรวมเป็นก็เป็นรูปพญายนาะค เป็นรูปงูงไงมันก็ถลางเข้าไปยุกกลางตัว ง, งี้ยอุ้ยคยลางที่เป็นหางะร้องวงเขามาฐานอยู่ข้างนอกกตีมารอคองกลองอดดขึ้นแล้วก็ร้องาอ่าไอเตงไงเร่วางอาวุธเสียถูกร้องมั่งคงจะมีแล้ววางอาวุธเสียออกมาเราแต่ ด, ด้วยนี้ ถ้านิ่งอยู่รถจับตัวได้ก็จะให้ค่าเสียเป็นไงกับทหารทั้งพวงอยู่ในที่รออ้อมเห็นกระบวนการของเกียงอุ่ยกรลบกลายไปแค่นั้นอะ่ะไม่รู้ที่จะแก้ไขประการใดไ ด, ได้เป็นไงถึงแหน่มากขึ้นไปบนฟ้านุ่น <c oughs> มากขึ้นไปดูบรรยากานพอดใจใหญ่ทีเดียวแล้วก็จริงว่าซึ่งเราเสียทีถ้าหลังเข้ามาอยู่ในเนื้อมือค่าศึดนี้ก็เพราะดูเหมิงท้าลงแก่สงครามเป็นไงยอมรับว่าตัวเองมินค่าศึดมินเกียงอุยเกินไปเป็นไงว่าอย่างนี้แล้วพอแลไปข้าที่ตอนออกอาทางข้าที่ตวันตก ก็ยห็นสุมาปองคุณทารไฟต์